de la <c oughs> อยู่ตรงไหนนั่งลงไปสังฆทานยังถวายได้นะครับถวายมาถวายข้ามาัดรีบเลยนะครับรีบรีบเข้ามาเลยสังฆทานยังถวายได้อยู่ ลบทางหลวงพ่อครับหลบทางหลวงพ่อนี่นี่เร็วไ่แ <laughs> พระเดชพระคุณหลวงพ่อกำลังกราบพระนะครับทุกคนพนมมือกราบพระครับ นั่งลงไปเลยครับนั่งลงไปเลยนั่งเลยครับท่านยืนอยู่ตรงไหนนั่งลงไปตรงนั้นเลยครับยืนตรงไหนนั่งลงไปตรงนั้นสังฆทานถวายนะครับถวายให้หมดเลยนะครับ โยมที่ยังเดินอยู่นะครับนั่งให้หมดนะครับเขบอกบอกว่าให้บรรชัยกลับมาแล้วไปให้บรรชัยู้ไงมาเดินท่าเมียว่าจ่งเป็นยังไงระบอกว่าก็เห็นเ่อที่ีาก เออญาโยมหาที่นั่งอะไจ๊ะตรงไหนก็นั่งได้โยมแต่จะนั่งทับคนไปก็นนะเออนั่งเยอะเริมๆนั่งก็นั่งได้เอ่อตอนนี้ไปก็อขอแนะนำการเป่ายานก๊อฟเฟต คำว่ายันกรอบเพชรก็คือพุทธานุสติกรรมฐานหรือพุทธคุณนั่นเองยันกรอบเพชรที่ได้มานี่เป็นคุณพระพุทธเจ้า้าย่าโยมพุทธบาลัทจุบุชาให้ใช้บทอิธีพิโศะพระกวาเป็นจบทายถามว่ายันกรอบเพชร ก็กัอนอะไรได้บ้างก็ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างถ้าไม่เกินวิสัยพระพุทธเจ้ากันได้ธวายายยองวิปรสสัทจาฝ่าฝืนคำสั่งก็แล้วกันหนึ่งหรัตนาทุกวันแล้วก็สวทอิพิโสในการที่สองทุกคนจะต้องไม่ลักไม่ขโมยไม่คดโกงเขา ในการที่สามทุกคนจะต้องไม่ดื่มสาและเมอไรทั้งนี้ว่าน้ำกระสายยาถ้าน้ำกระสายยาใช้ได้ถ้าไม่ใช่น้ำกระสายยาแม้แต่ท่านจิบทิศเดียวยังก็พระเจดีย์เจ้ตัวท่านถ้าทุกคนรักษาได้ดีสำหรับตัวเอง เวลาตายใครจะึงตายแล้วเวลาตายจะมียันติดกระโหลกศีษะถ้ามีบุตรเดกคันถ้านาทูปเทียนโฉชาเพื่อลูกเด็กคันหนึ่งชุดอย่างนี้เมื่อลูกคลอดออกมาจะมียันสีแดงบ้างสีเขียวที่น้ำเงินบ้างแล้วก็สีแจงนั้นบ้าง แต่ว่ายันนี้ก็ไม่แน่นอนนักบางคนอยู่ได้แค่เจ็ดวันก็จะหายไปในตัวเด็กบางคนหรืสองสามปียันยังฟ้องอยู่รวมว่าถ้าพ่อแม่ปฏิบัติ ด, ดีลูกก็ยันติดด้วยถ้าพ่อแม่ปฏิบัติไม่ดียันก็ไม่ติดลูกยันขอบมันได้ยากโยมพุทธศาสนทุกคนเวลา